7. ธรรมจักประกถาว่าด้วยธรรมจักหนึ่งสัจจะวาระวาระว่าด้วยสัจจะข้าพเจ้าได้สะับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมรกขายวันเขตรุงพรารณสีดังนั้นคำว่าอัญญาโกนทัญญานี้จึงได้เป็นชื่อของท่านโกลทัญญานั่นแล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 คำว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะสว่างสวัยจากสุเป็นธรรมสภาวะที่เห็นเป็นอัตยานเป็นธรรมสภาวะที่รู้เป็นอัตปัญญาเป็นธรรมสภาวะที่รู้ชัดเป็นอัตวิชาเป็นธรรมสภาวะที่รู้แจ้งเป็นอัตแสงสว่างเป็นธรรมสภาวะที่สว่างสวยเป็นอัตธรรมห้าประการอัตห้าประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เป็นที่ตั้งแห่งสัจจะมีสัจจะเป็นอารมณ์มีสัจจะเป็นโคจรสงเคราะห์เข้าในสัจจะนับหนึ่งในสัจจะรวมลงในสัจจะตั้งอยู่ในสัจจะประดิษฐานอยู่ในสัจจะคำว่าธรรมจักอธิบายว่าชื่อว่าธรรมจักเพราะมีความหมายว่าอย่างไรเคยชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักและทำเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักเป็นไปโดยธรรมชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้จักเป็นไปด้วยการประพฤติธรรมชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความชํานาญในธรรมให้จักเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความสําเร็จในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธารรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความสําเร็จในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุถึงความเกล้ากล้าในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก เพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ประชาชนบรรลุถึงความกล้าๆในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงสักการะธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงเคารพธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงนับถือธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบูชาธรรมให้จักเป็นไป ชื่อว่าธรรมจัก ko เพราะพระผู้มีพระภาคทรงนอบน้อมธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นธงให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นยอดให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะพระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นใหญ่ให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะธรรมจักนั่นเอง อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ทำคือสัจทินรีเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ทำคือปัญญีนรีเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ทำคือสัทธาภละเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ทำคือวิริยะภละเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ทำคือสติภละเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือสมาธิพละเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือปัญญาภละเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือสติสัมโพชงเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ทำคือธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือวิริยะสัมโพชงเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือปิติสัมโพชงเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือสมาธิสัมโพชงเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคืออุเบขาสัมโพชงเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือสัมมาทิฏฐิเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำคือสัมมาสังกัปปะเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ทำเพื่อสัมมาวาจาเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ทำเพื่อสัมมาสัมมันตะเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำเพื่อสัมมาอาชีวะเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำเพื่อสัมมาสติเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ทำเพื่อสัมมาสมาธิเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าภะระเพราะมีสภาวะไม่วันไวเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะนำออกเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ามักเพราะมีสภาวะเป็นเหตุเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมปทานเพราะมีสภาวะตั้งไว้เป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะมีสภาวะให้สำเร็จเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นเป็นไปชื่อว่าธรรมจักร you พระทรงให้ธ <lineup S 1> รรมที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาเพราะมีสภาวะนิโรธเป็นอย่างเดียวกันเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระท ร, ระงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมิจพาวะไม่ล่วงเลยกันเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมิสภาวะสำรวมเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าจิตตาวิสุทธิเพราะมิสภาวะไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าทิฐิวิสุทธิเพราะมิสภาวะเห็นเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ า, ว, า Then, วิโมกเพราะมีสภาวะพ้นวิเศษเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้งเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิมุตเพราะมีสภาวะสละเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัดขาดเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก พระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าอนุปาทะยานเพราะมีสภาวะสงบระงับเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่ามานุสการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมเป็นไป ชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่เป็นไปชื่อว่าธรรมจักรพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าวิมุตตเพราะมีสภาวะเป็นก่รสารเป็นไปชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่อย่างลงสู่อมตะคืนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไปจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า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 คำว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะสว่างสวยัยจักสุเป็นธรรมสภาวะที่เห็นเป็นอัตแสงสว่างเป็นธรรมสภาวะที่สว่างสวัยเป็นอัตธรรมห้าประการอัตห้าประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกประดิษฐานอยู่ใน จ, จัตเจคคำว่าธรรมจักรอธิบายว่าชื่อว่าธรรมจักรเพราะมีความหมายว่ายอย่างไรเืยชื่อว่าธรรมจักร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 เพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักพระทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะเคือนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไปจากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแลวแขวะเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทัยอริ ย, ยสัตจักสุเกิดขึ้นแล้ว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 คือคำว่าจักรสุเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะเห็นคำว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะสว่างสวัยจักสุเป็นธรรมสภาวะที่เห็นเป็นอัตแสงสว่างเป็นธรรมสภาวะที่สว่างสวัยเป็นอัตธรรมห้าประการอาต5้าประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะเป็นที่ตั้งแห่งนิโรธเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะเป็นที่ตั้งแห่งมรร เป็นที่ตั้งแห่งสัจจะมีสัจจะเป็นอารมณ์มีสัจจะเป็นโพจรสงเคราะห์เข้าในสัจจะนับหนึ่งในสัจจะรวมลงในสัจจะตั้งอยู่ในสัจจะประดิษฐานอยู่ในสัจจะคำว่าธรรมจักอธิบายว่าชื่อว่าธรรมจักเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงให้ธรรมและจักเป็นไปชื่อว่าธรรมจัก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 ชื่อว่าธรรมจักเพราะทรงให้ทำที่ชื่อว่าถ้ำที่ยังลงสู่อมาตะคืนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไปสสติปทา น, นวาระวาระว่าด้วยสติปฐานพิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยเรียฟังมาก่อนว่านี้การพิจารณาเห็นกายเนีกาย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 เป็นที่ตั้งแห่งจิตเป็นที่ตั้งแห่งสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์มีสติปัฏฐานเป็นโคจรสงเคราะห์เข้าในสติปัฏฐานนับหนึ่งในสติปัฏฐานรวมลงในสติปัฏฐานตั้งอยู่ในสติปัฏฐานประดิษฐานอยู่ในสติปัฏฐานคาว่าธรรมจักอธิบายว่าชื่อว่าธรรมจัก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 เพราะพระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงประดิษฐานอยู่ในธรรมให้จักเป็นไปชื่อว่าธรรมจักรเพราะทรงให้ธรรมที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสูงอ่อมตะพื้นิพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดเป็นไปสอิทิปาทวาระวาระว่าด้วยอิทิบาทพิสุทั้งหลาย จักสุขเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวะเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารนี้นั้นควรเจริญแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแขวะเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า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 จากสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแลวแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารแสงสว่างเกิดขึ้นแลวแข่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขารนี้นั้นควรเจริญแสงสว่างเกิดขึ้นแลวแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมัง Wind สาสมาธิประธานสังขารนี้นั้นเราเจริญแล้วจากสุเกิดขึ้นแล้วแสง oh สว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานนสังขารแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานนสังขารนี้นั้น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 ทำห้าประการอาจหาประการนีเนเน้เป็นที่ตั้งแห่งวิริยะเป็นที่ตั้งแห่งอิธิบาทเป็นที่ตั้งแห่งจิตเป็นที่ตั้งแห่งอิธิบาทเป็นที่ตั้งแห่งวิมังสาเป็นที่ตั้งแห่งอิธิบาทมีอิธิบาทเป็นอารมณ์มีอิธิบาทเป็นโคจรสงเคราะห์เข้าในอิธิบาทนับเนื่องในอิธิบาทรวมลงในอิธิบาทตั้งอยู่ในอิทธิบาทประดิษฐานอยู่ในอิทธิบาท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 โลกุตระกถาว่าด้วยโลกุต ร, าาตรต 4, มมะ 4, ธ 4, 5, ะ 5, 7, รมม 8, รมธรรมญญ 4, เหล่านี้เป็นโลกุตระเคยสติปทานสี่สมมปิปทานสี่อธิบาทสีอินรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอเรยมักมีองแปดอเรยมักสี่สามัญญผลสี่และนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นโลกุตระคำว่าโลกุตระอธิบายว่า ชื่อว่าโลกุตระเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามพ้นโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามพ้นแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามพ้นจากโลกชื่อว่าโลคุตระเพราะข้ามไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะล่วงพ้นโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะล่วงพ้นโลกอยู่ชื่อว่าโลกุตระเพราะเป็นอดีเรกในโลก ชื่อว่าโลกุตระเพราะข้ามที่สุดโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดออกแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดออกจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดออกแล้วจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดออกแล้วแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสลัดออกไปแล้วจากโลก ชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ตั้งอยู่ในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ดำรงอยู่ในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ติดอยู่ในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เปื้อนในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เปื้อนแล้วในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ถูกโลกทําให้เปื้อนแล้วชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ฉาบแล้วในโลกชื่อว่าโลกุตระ เพราะไม่ถูกโลกฉาบแล้วชื่อว่าโลกุตระเพราะหลุดไปในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหลุดไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหลุดพ้นไปแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหลุดพ้นไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เกี่ยวข้องในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เกี่ยวข้องด้วยโลก ชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เกี่ยวข้องแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะพลากออกในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะพลากออกแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะพลากออกจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหมดจดแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหมดจดจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะหมดจดกว่าโลกชื่อว่าโลกุตระ เพราะสะอาดแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสะอาดจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะสะอาดกว่าโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะออกแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะออกจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะออกไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะกลับแต่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะกลับจากโลกชื่อว่าโลกุตระ เพราะกลับไปจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่คล่องในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่ยึดในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่พัวพันในโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะตัดโลกขาดชื่อว่าโลกุตระเพราะตัดโลกขาดแล้วชื่อว่าโลกุตระเพราะให้โลกระงับชื่อว่าโลกุตระเพราะให้โลกระงับแล้ว ช <Jadi, S 2> ื่อว่าโลกุตระเพราะไม่กลับมาสู่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เป็นคติของโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เป็นวิสัยของโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เป็นสาธารณะของโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะปราศจากโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่เวียนมาสู่โลกชื่อว่าโลกุตระเพราะละโลกชื่อว่าโลกุตระ เพราะไม่ให้โลกเกิดชื่อว่าโล ก, กุตระเพราะไม่เยื่อใ่โลกชื่อว่าโล ก, กุตระเพราะนำโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะกาจัดโลกชื่อว่าโลกุตระเพราะไม่อบโลกให้งามชื่อว่าโลกุตระเพราะล่วงโลกครอบงมโลกตั้งอยู่ชะนีแ้แหลโล ก, กุตระคถาจบ